ชื่อว่าตันหาย่อมยังบุรุษให้เกิดแล้วเรามีตันหากันเยอะแยะคําว่าบุรุษนี่หมายความว่าไงครับท่านครับจะเฉพาะผู้ชายนี่ยังไงครับผู้หญิงไม่เกิดทีง่ไงครับในแก่สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละแล้ว่าแต่แก่สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมครับเขาว่าบุรุษนี่ก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับมาไม่ใช่เอสสัตว์อื่นแล้วครับสมมุติว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วครับ เข้ากฎแกน่นี้ไหมครับเ <c oughs> จนิญพรที่ผู้ที่ยังละตัญหาไม่ได้ก็เหมือนกันหมดหนะถ้าอย่างนั้นเทวดาน่ะเกิดโลภะทั้งคืนทั้งวันนี่ไม่แย่หรอครับเกิดน่าดูที่ครับพราะพระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงว่าเทวดากลับมาสู่ความเป็นเทวดาน้อยมากเทวดามาเป็นมนุษย์น้อยมากจากเทวดาสู่อบายนี่มีมากกว่าเั้นเทวดาเองก็ไม่ได้ว่าพ้นจากอบายทุกติวิบัตินรกอะไร เพราะว่าเทวดาเองนั้นสภาพจิตก็หมกมุ่นไปกับกรารมคุณห้าถ้าหาว่าบุญไม่ไม่มากจริงๆเนี่ยนะที่จะมาสู่ความเป็นเทวดาคืนหรือว่าจะไหลไปสู่ภพภูมิสูงๆไปอีกเนี่ยยิ่งยากนั่นแหละคำว่าการหาย่อมนำบุรุษพึงนำบุรุษไปเกิดนี่นะหมายความว่าตัณหาระดับไหนครับ ปัญหาทุกชนิดนําับถือว่านําเกิดหมดเลยเป็นอุปนิสัยแห่งแห่งพบหมดเลยเป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดหมดเลยเป็นประตูปณิสยปัจจัยใช่ไหมครับหรือยังไงครับรตัญหาทุกชนิดนั้นตัวเขาเองเขาไม่สามารถนําเกิดในลักษณะนานาคตขณิการรมะปัจจัยได้เขาให้พ้นนาเกิดแบบประตูปนิสยปัจจัยอย่างเดียวนั่นแหละถ้าหากว่าเราเน้นถึงข้อความในปฏิจจสัมบัต ตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยแล้วก็ตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานครับก็อุปาทานก็โลภะอีกนั่นแหละกับทิฏฐิเพราะในขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นนะั้นอ่ะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่แก่ภพเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตนาเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแก่ภพแนะอพบภพมีสองอย่างคือ กา ร, รมาพบกับอุปาติภพในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นขณะนี้สมมติเจตนาขณะนี้เป็นเจตนาที่เป็นไปในกา ร, รมาพบเจตนาเหล่านี้เนี่ยให้ผลเป็นกามวิบากแม้แต่เจตนาเหล่านี้คําพูดที่พูดไปหนึ่งคำเช่นจินเห็นเนี่ยทำให้เห็นมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์ในขณะที่มีรูปารมณ์เป็นอารมณ์นั้นก็มองเห็นสีคิดเรื่องสี ถ้าหากว่าคิดด้วยอํานาจของโลภะโลภะนั้นก็เป็นตันหาโลภะเป็นปัจจัยแกเ่เจตนาเจตนานั้นเป็นตัวกรรมเจตนานี้ให้ผลแน่ดวงที่สองถึงดวงที่หกนะถ้าไม่นิพานเนี่ยไม่เป็นอาโหสิกรรับดังนั้นเขาจะให้ให้ผลเป็นอุปติภพถ้าหากว่าอุปติภพนั้นตามสมควรว่ากรรมบางอย่างก็ให้ผลนําเกิดกรรมบางอย่างก็ให้ผลในประวัติการ แต่ว่าเจตนากรรมเหล่านั้นถือว่ามีตัณหาเป็นเป็นปัจจัยอ๋อหมายความว่าในชาวนะนั้นเนี่ยโลภชาวนะนั้นเนี่ยโลภเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนาในดวงนั้นแหละในดวงเดียวกันในดวงนั่นแหละใะเป็นปัจจัยแก่ดวงต่อตไปด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยดวงต่อต่อไปด้วยเจนผาถูกไหมฮะก็เจตนาตัวนี้แหละคือคือกรรมอาภพนั่นแหละเจรับเจตนาตัวนั้นเป็นกรรมภพอ่าเพราะว่าเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บ นะสําเร็จเป็นกรรมเมื่อสําเร็จเป็นกรรมนั้นถ้าปัจจัยพร้อมกรรมเหล่านี้จะจะให้ผลครับทีนี้ในเจตนาเหล่านั้นเนี่ยเราต้องไปดูน้ําหนักของเจตนาอีกครั้งเจตนาตัวนั้นมีน้ําหนักให้ผลนําเกิดไหมแต่ทีนี้ว่ากรรมที่เราทําทุกวันกันเนี่ยให้ผลนําเกิดทุกวันนั่นแหละวันหนึ่งเส้นเป็นวจีกรรมพูดออกมาเนี่ยในหนึ่งคำพูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในนั้นอแทบให้ผลนําเกิดได้เลย ในหนึ่งคำพูดเช่นแปลงคำดาวออกมาคำเดียวไอ้อย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยโทสษะษสามารถให้ผลนำเกิดได้แล้วอันในคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะมันนำมาซึ่งภพสามแต่ของเราดูจะไม่รูปประพบกับรูปประพบดูจะไม่ใช่อะ่ะนะเจตนาเนี่ยซัดไปในภพสามใช่ไหมกรรมพบกับอ่กรรมพบอุปติอ่ การมาพบรูปประพบอรูปประพบทีนี้ปุตุชนคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ชาญจิตเมื่อไม่ได้ชาญจิตนั้นเจตนาก็ซัดมาในการมาภูมิสิบเอ็ดเมื่อการมภูมิสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะสมควรกับเจตนานั้นนั้นถ้าเรามองอีกนัยยะหนึ่งนะชีวิตของเราที่มันนั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยกรรมนะซัดมาจนถึงขณะ น, นี้โลกเป็นไปตามกรรม สัตว์โลกนี่ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามจิตสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามตัณหาที่เรามานี่นะกรรมข้างหลังเราเนี่ยที่ติดตามเรามาไม่ใช่น้อยเลยกรรมมากมายขนาดไหนจนแค่ดูว่าเห็นดูเหมือนเห็นได้ตลอดเลยจากครูวิญญาณสามารถเกิดตลอดและยินเหมือนได้ยินตลอดร่างกายของเรานะมีสุขมีทุกข์เหมือนเกือบตลอดเวลาอันผลของกรรมมันขนาดไหนและรูปร่างกายที่นั่งเหนอยู่นี่ส่วนใหญ่เป็นกรรมมชรูปนี่ก็เป็นผลของกรรม แล้วเจตนากรรมที่เรากำลังทําเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะไปไหนใช่ไหมแล้วในตัววิบากกรร ม, มชรูปเหล่านี้ด้วยเจตนากรรมเหล่านี้ด้วยพระผู้มีพระภาคแสดงว่าโลกนี้นะโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนในธรรมมุทเทสีข้อชารานําไปไม่ยั่งยืนถึงวิบากกรร ม, มชรูปที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นไปตามอํานาจของชารา โลกนะเป็นของที่ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหนะมายความว่าความปวดความเจ็บป่วยไขย้มันเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของอมันพร่องอยู่เป็นนิดเป็นไปตามอานาจของตันหาที่ดูว่าเรานี่นั่งอยู่เนี่ยแรงปราถนาของเราเนี่ยเกิดอยู่เกือบตลอดเวลา ถ้าสังเกตนะเช่นขณะที่เห็นปั๊บเนี่ยเรายินดีไหมที่จะเห็นแบบนี้ตลอดไปพอใจไหมน้อยมากสมมุติว่าใหม่ๆนะอ่าเราบอกว่าตอนร้อนๆปั๊บเอ๊ะน่าจะมีอย่างนั้นพอมันคิดพอได้อย่างนั้นมันจะคิดใหม่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆในอารมณ์ทางตาก็เหมือนกันสีเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกพอเลยนะเหมือนกับดื่มอะไรดื่มน้ําเนี่ยดื่มน้ําเค็มเนี่ยจะไม่รู้สึกอิ่มเลยมันจะกระหายไปเรื่อย ๆ, ๆมันจะเพิ่มดีกรีเรื่อย เหมือนยาเสพติดก็เหมือนกันพอติดปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มปริมาณเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มลักษณะของตันหาก็เหมือนกันมันจะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆรืยเร่อยเรืน่ะเพราะั้นความต้องการของมนุษย์จึงหาที่สุดไม่ได้นั่นแหะเขาก็เทียบว่าพระราชาเนี่ยขนาดสมบัติของพระราชาก็สมบัติทั้งแผ่นดินแต่ถ้ามีเมืองโน้นหน้าไปตีก็ไปตีเอาเมืองมานหนึ่งนะคือถ้าขยายอานณาณิคมขยายอาณาเขตของตัวเองอยู่ ต, ออตลอดเวลา อันแรงปรารถนาเนี่ยจึงไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมันจะพร่องอยู่ตลอดเลยนะเพราะเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยพร่องไหมเพราะเวทนาเหล่านั้นเป็นไปตามอํานาจของผัสสะเพราะเวทนาเนี่ยเป็นไปตามอํานาจของผัสสะถ้าผัสสะกับอารมณ์ที่ดีเวทนาก็ชอบอยากให้อารมณ์นั้นมันมีทีนี้มันไม่อยู่แค่นั้นมันต้องการเพิ่มอารมณ์นั้นๆเข้าไปอีกนะสมมุติถ้าหากว่าคนที่ที่ทานน้ำตาลติดๆนะ ใหม่ๆก็ปริมาณน้ำตาลไม่มากนะักใช่มมันจะเพิ่มความหวานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่มากขึ้นนั่นแหละลักษณะของโลภะจะเหมือนกันจะแรงปรารถนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ในขณะที่ปรารถนามีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาตัวนั้นแหละเป็นตัวให้วิบากและกรรมชรูปเหมือนกับเขาเป็นพ่อไอ้ตัณหาที่ปรารถนาเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่ นันแรงปรารถนาของเราเนี่ยถ้าปรารถนาเป็นไปกับฌานจิตก็ถือว่าแรงปรารถนานั้นเพื่อสู่รูปประพบถ้าแรงปรารถนานั้นเป็นไปกับอรูปฌานแรงปรารถนานั้นก็เป็นไปเพื่ออรูปประพบแต่ถ้าหากว่าแรงปรารถนาส่วนใหญ่ปรารถนาในรูปเขาจึงไปไปสู่โลกที่ยังไงก็ต้องมีรูป ปราถนาเสียงก็ไปสู่โลกที่มีเสียงปรารถนากลิ่นปราถนารสปราถนาโภตาพะอยู่ตลอดเวลาบันฑ์เขาก็จะไปสู่ภพภูมิที่เต็มไปด้วยกรรมมาคุณทั้งห้าทีนี้กรมมาคุณทั้งห้าเขาจะได้เสวยหรือไม่นะแล้วแต่ว่ากรรมที่ที่ไปแต่งให้วิบากกรมมาชรุกของเขาเนี่ยบริบูรณ์ขนาดไหนนะถ้ากรรมไปแต่งจกักษุให้บริบูรณ์แต่งโสตะแต่งคานะแต่งเชิวหาแต่งกายให้บริบูรณ์เขาก็จะเพียบพร้อม เอิบอิ่มไปด้วยกรรมมาคุณห้าเพราะก็แล้วแต่ว่ากรรมอะไรที่จะเป็นไปเป็นปัจจัยไปก่อวิบากกรรมมาชื้รนั้นนั้นอีกต่อไปนั่นแหละงั้นกรรมเหล่านั้นก็คือขนาดไหนก็ที่เรากำลังนึกคิดกันอยู่นี่นะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเนี่ยก่อพบใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเจริญมรณานุสติบ่อยๆนะจะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ไกลเลยในพบใหม่ต่อไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะ อายุเยอะๆก็จริงอยู่นะสมมติถ้าอายุยี่สกว่า30มสิบสี่สิบห้าิบเนี่ยมันเหมือนแป๊บเดียวจริงๆเลยเหมือนฝันเอาอ่ะพอละมานึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันก็เหมือนฝันไว้แป๊บเดียวจริงๆเลยนะหมดไปแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันวันคืนเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้ายิ่งถ้ากุศลจิตเราเกิดมากเกิดบ่อยนะจะเห็นว่าวันคืนเนี่ยมันเร็วจริงๆ วันเวลาเนี่ยเร็วมากแต่ถ้าอากุศลจิตเรากลุ่มุมมากๆนะมันช้าจริงๆเลยมันช้ามากถ้าถ้าสมมติถ้าโทสะเราเกิดนะชั่วโมงหนึ่งโอ้โหมันยิ่งกว่าสองปีอีกใช่ไหมไปรอใครสักคนหนึ่งด้วยโทสะมูลจิตเนี่ยมันกวนกวยเนี่ยนานจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่ า, ากุศลจิตเกิดบ่อยๆนะสามชั่วโมงผ่านไปใน่พัดเดียวถ้า ถ้าเรายิ่งพิจารณาชีวิตมากๆประมวลเรื่องชีวิตมากๆประมวล ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตมากๆแล้วจะเห็นความเป็นไปของปัจจุบันอย่างรวดเร็วจริงๆอันพระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆมันสั้นมากแต่เราต้องมีการเปรียบเทียบกับอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้านั่งแช่อยู่เฉยเฉยมันดูมันช้านะเหมือนนาฬิกานี่มันเดินแตกแตกแตกท่านั่งดูนาฬิกาเฉยเฉยเนี่ยมันเร็วนะแต่ถ้าบอกว่า อีก10บชั่วโมงคุณจะตายนนเนี่ยนาฬิกาทำไมมันหมุนเร็วจังนะแต่แต่ก็หมุนเท่าเก่านั่นแหละแต่ความคิดของเราไม่เหมือนเดิมนั้นถ้าหากว่าเจริญกุศลจิตบ่อยๆเข้าเค<ม>าว่าพบสามเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับถูกไฟไหมคาว่าพบสามถูกไฟไหมพบมีกี่อย่างมีสองอย่างคือกรรมาพบกับอุปฏติพบเคยเห็นไหมบ่าเจตนานี้เหมือนกับถูกไฟไหม ซัต์เข้าไปในหลุมฐานเพลิงแล้วกรรมาพบนี่ก็โดยมากก็เป็นอาปุญญาพิสังขารซะเยอะเจนพานเป็นอาปุญญาพิสังขาร้าส่วนใหญ่ก็สังเกตดูกายกายกรรมมจีกรรมและมโนกรรมในใ น, ในชีวิตประจําวันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหากัลยาณมิตรได้เราก็ลําบากเหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเป็นคนประเภทอาสังขาริก เป็นหัวหน้าในการเจริญกุศลคนประเภทนั้นไม่ต้องอาศัยเพื่อนนะมีแต่ว่าคนที่เป็นประเภทสังขาริกเนี่ยจะเจริญกุศลเนี่ยต้องอาศัยพวกนะอันนี้ยากถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหากะลายานามิตรได้คนนั้นจะอยู่ลําบากมากแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นลักษณะสังขาริกเขาจะกล้าในการเจริญกุศลคนคิดอยู่ตลอดเวลาทํายังไงกุศ ล, ลจิตมันจะเกิดมันค้นคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดที่เรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวละ แต่ถ้าหากว่าคนที่ค่อยเดินตามคนอื่นเงี้ยนะแล้วแต่กลุ่มหมู่คณะก็จะพาไปไหนก็ปะอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยจะลําบากเพราะว่าเป็นไปตามอํานาจของหมู่คณะเรียกว่ามิตรแต่ทีนี้มิตรนั้นเป็นพาปามิตรหรือกาลยานามิตรถ้าผู้ได้กาลยานามิตรก็ถือว่าวิบากดีไปโชคดีไปนั่นแหละและอีกส่วนหนึ่งนะคนประเภทสาสังขาการตรวจสอบนี่อ่อนมากนะมิตรที่ที่ชักชวนเราเนี่ยนะ ชวนถูกชวนผิดเราจะไม่รู้เลยเพราะพื้นฐานตัวเองตามตลอดแต่ถ้าเป็นคนอาสังาสังขาฤกเนี่ยมันจะตรวจสอบตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าในในผู้นั้นเนี่ยภาวะผู้นำมันสูงถ้าเป็นอาสังขาิกษั้นเขาจะคิดในเรื่องอะไรที่จะทำให้กุศลจิตเกิดสามารถค้นคิดใหม่ๆ่ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยอาสังขาฤกต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมานี่นะต้องเป็นอาสังขาิก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลต้องเพียงพอถ้าเราจะเป็นอสังขาริกนะข้อมูลจะต้องเพียงพอจริงๆนะเชื่อมเหตุเชื่อมผลเนี่ยถึงกันหมดได้จึงจะเป็นอสังขาริกดีแต่ถ้าหากว่าเป็นอสังขาริกจนเกินไปจนที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลอีกมันก็เลยทงอีกเหมือนกัน mm. มันหาความพอดีให้พบก็แล้วกันนะหาความพอดีให้พบถ้าอยู่กับบัณฑิตนะอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นเลยนะ อันนี้หัวอ่อนยิ่งอ่อนยิ่งดีอ่อนมากๆยิ่งดีเลยแต่ถ้าไปอยู่กับพระเทวทัตนะหัวแข็งไหมไม่ผิดนะต้องดูว่าเราไปคบใครเพราะถ้าพระพุทธเจ้านะพระองค์บอกว่าดูกายพิสูจน์ทางหลายสังขารมันไม่เที่ยงนะมันน่าจะมีเที่ยงมากนะพระเจ้าขา่าอย่างยังไงก็ไม่ต้องกันแล้วะนั่นะจะต้องถ้าถ้าอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้านะกับสัตว์บุรุษจริงๆนั่นอะ่อนเะข้าไว้ไม่ผิดแร้ว วันนี้ก็ขอถึงกล่าวถึงเรื่องข้อความในลักษณะสูตรทีคณิกายปาติกวักต่อไปดูความพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเคยเบียดเบียนสัตว์ไหมนั่นแหละ ไม้ก่อนเคยเด็ดปีกแมลงปองไหมคล้า <c> ย <ười> ๆแบบนั้นแหลปปั่นจิ้งหรีดไหมอะไรเงี้ยตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตน ร, รมสังสม พ, อพ่อภูนภัยบุญกรรมที่ไม่เบียดเบียนศักริก็เป็นปัจจัยให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือ เส้นประสาทสําหรับนํารถอาหารอันเลิศ ก, กล่าวคือพระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาทมีปลายข้างบนประชุมอยู่ที่พระสอสําหรับนํารถอาหารแพร่ซ่านไปสม่ําเสมอทั่วพระวรกายนะบางคนเนี่ยทานอาหารอร่อยมากเรียกว่าทานอาหารเนี่ยอร่อยบางคนเนี่ยอยมันฝืดเหลือกเกินนะกว่าจะเคลียรและกลืนลงไปลำคำํานึงเนี่ยยากมากนะยิ่ง เคาอยู่กับพระอาจารย์บุญเลิศเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหเวลาจะไปฉันข้าวเนี่ยเหมือนกับจะออกสึกสักอย่างมันฉันข้าวไม่อร่อยไม่อยากฉันนะมันต้องกล่อมกินข้าวนะอะไรเงี้ยคลๆก็ต้องกล่อมเลยนะ ว, ว่ามันไม่มีรสชาติในตับปรสอะไรเลยคล้ายๆแบบนั้นแนหะแต่บางคนเนี่ยกินกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยบางคนนั้นจะไม่เหมือนกันทะนั้นก็มาจากกรรมประเภทเบียดเบียนสักด์ แต่เคยถามท่านแล้วก็บอกอประเภทเบียดเบียนสัตวก็น่าดูเหมือนกันดังนั้นคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆนะส่วนใหญ่การเจ็บป่วยก็คือระบบการย่อยอาหารไม่ดีนี่ะดังนั้นถ้าหากว่าเวลาเราทานอาหารนะถ้าน้ําลายไม่ค่อยออกอาหารก็ไม่ค่อยย่อยดีเหมือนกันดังนั้นถ้าอาหารเหมือนกับกินข้าวไม่อร่อยนะ ก, นกินกินกลืนไปอย่างนั้นเขาก็ทําวิจัยว่าอาหารที่คลุกน้าลายกับไม่คลุกน้าลายเนี่ยอันไหนจะย่อยง่ายกว่ากันต่างกัน นั่นแหละเพราะ น, น้ำลายที่ที่ออกมามากๆก็จะย่อยง่ายนั่นแหละฉะนั้นคนที่น้ำลายออกเยอะๆเวลาทานอาหารเนี่ยก็จะซึมซาบรับรสเพราะว่าระสารมนั้นมีอาโปธาตเป็นปกตูปนิสยปัจจัยในการรับรสใช่ไหมจากคูวิญญาณมีรูปมีมีแสงสว่างเป็นปกตูปานิสยปัจจัยเสียงมีอากาศเป็นปกตูปนิสยปัจจัยกลิ่นมี ลมเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยส่วนชิวหาวิญญาณมี oh. อาโปธาตน้ำน้ำก็คือประเภทน้ำลายนั่นเองเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยอันถ้าคิดดูนะถ้าอาหารไหนที่มันแห้งเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติหรอกแต่ถ้ามันน้ำเยอะๆเนี่ยนะมันจะแถ่ซ่านไปหมดเลยปปอ่ะเพราะว่าน้าลายนั้นเป็นจิตตชูปรจิตตะชูกรกับ อุดช่รูปนั่นแหละเพราะในเรื่องของเส้นเส้นประสาทรับรสเนี่ยนะมีมีความสําคัญมากในการนําอาหารเนี่ยแผ่ไปทั่วร่างกายถ้าหากว่าร่างกายของคนที่ที่ขาดอาหารบางอย่างนะพอแตะปลายลิ้นปั๊บเนี่ยมันสซ่านไปทั้งร่างกายเลย <c oughs> เคยไหมใครเคยบ้างนั่นแหละไม่เหมือนพระนะพระเนี่ยเคยกัน <c oughs> บางทีนะอาหารบางอย่างเนี่ยแตะปั๊บเนี่ยมันสซ่านหมดทั้งร่างกายเลย <c oughs> เช่นว่ามันมันมันมันแปลกมันฟ่านไปได้เนะหมือนกันทำเสร็จไม่สมกับใช่ส้มส้มส้มคล้ายๆลามัตตาตาั่นนะแตะปั๊บโหซ่านเลยคล้ายๆแบบนั้นน่ะนะ น, นั้นพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นนะสมบูรณ์ด้วยคืออาหารเนี่ยประสาทรับรสดีมากเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นมหาปริศลักษณะอย่างหนึ่งคนที่มีมหาปริศลักษณะอย่างนี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็น พระเจ้าจาักรพรรดิถ้าเป็นพระราชาจะได้รับอ น, นิสงส์พิเศษนะที่มาจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ก็คือมีพระโรคาพาสน้อยมีความลําบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันทําอาหารให้ย่อยดีนะเขาเรียกว่าระบบการย่อยอาหารเนี่ยดีมากเลยไม่เย็นนักไม่ร้อนนักนะการย่อยอาหารดีก็ทําให้สุขภาพดีถ้าอาหารทานเข้าไปแล้วไม่ย่อยนะคนนั้นมีปัญหาละ สุขภาพเนี่ยจะไม่ไม่ดีนั่นแหละถ้าหากว่าทรงออกพนวดจะได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคาภาพน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชาธาตอันทำอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก อันควรแก่ประธานะเป็นปานกลางนะเขาบอกว่าอาหารถ้าฉันแล้วย่อยดีกับย่อยไม่ดีเนี่ยนะมีอิทธิพลต่อการเจริญกุศลมากนะถ้าหากว่าวันไหนเรารับประทานอาหารเข้าไปนะอาหารไม่ค่อยย่อยศึกษาพระธรรมก็ลาบากตาก็ฟังด้วยตาฝ้าอ่านหนังสือก็ไม่ดีสุขภาพไม่ดีทักอย่างแ ต, แต่ถ้าอาหารมันย่อยดีวันนั้น สุขภาพจะดีมากจะสดชื่นนะจะสดชื่นแล้วก็สา ม, มารถที่จะพิจารณาพระธรรมได้นานๆสา ม, มารถที่จะพิจารณาพระธรรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโงเลยหรือหลายๆชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าหากว่าไฟธาตไม่ค่อยดีย่อยอาหารไม่ได้หรือนะมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บเนี่ยให้มันสงบสักสามนาทียังทํายากเลยมันจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สมาธิมากนะนั่นแหละ เช่นปัดกวาดอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้สมาธิมากนะขยันไปปัดกวาดเถอชะชระซักล้างอะไรก็ได้ทำมันอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ความความสงบนักนั่นแหละเจริญกุศลประเภทธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าสุขภาพเราดีนะสามารถที่จะค้นคิดเรื่องที่ละเอียดละเอียดได้พิจารณาพระธรรมที่ละเอียดละเอียดได้ถ้าหากว่าคนที่สังเกตสภาพจิตในแต่ละวันแต่ละวันการเจริญพระธรรมการ คิดพระธรรมด้วยการตรึกพระธรรมมากๆเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยคิดเรื่องนี้โอ้คิดแล้วซึ้งเหลืเอเกินนะซึ้งใจโอ้วันนี้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านเก่งแท้ท่านดีจริงๆเลยนะใช้คําว่าพูดโทปับ๊บเนี่คนลุกเลยดีจริงๆเลยซึ้งอีกวันหนึ่งเอาพุทธเจ้านึกฆ่าพระ อ, องค์แล้วก็ยังเฉยเลยนะใช้คิดถึงนรกเออนรกช่วยได้กลายเป็นว่านรกดี